คนส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับความคิดแย่ๆในหัวคนส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับความคิดแย่ๆในหัวทุกวันไม่มีวันหยุดโดยแทบไม่มีใครบอกวิธีสู้หรือวิธีอยู่กับสัตว์ ร, ร้ายในหัวตัวเองในฐานะนายไม่ใช่เหยื่อแล้วทำอย่างไรจะให้ความคิดแย่ๆหายไปจากหัวนานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในสังคมที่ต้องแข่งขัน ต้องเป็นปฏิปักษ์กับใครบางคนหรือบางกลุ่มต้องสพกับแววตาไม่เป็นมิตรต้องได้ฟังเสียงด่ามากกว่าเสียงชมต้องได้รบกับความอายุติธรรมต้องมีคนเด่นคนดังให้อดมันไส้ไม่ได้ต้องได้อ่านข่าวคนดีกลายเป็นคนร้ายต้องเจอสิ่งเร้าให้นึกอยากใช้เงินเกินตัวต้องประสบกับสิ่งที่ทั้งยั่วยุทั้งบีบคั้นให้ผิดศีลต้องถูกกดดัน ด้วยสภาพแวดล้อมทรมานใจความจริงก็คือวิธีกำจัดสัตว์ ร, ร้ายในหัวนั้นมีและเป็นที่รู้กันแต่คนยังเต็มใจให้อาหารมันมากกว่าจะปล่อยให้มันอดตายคนส่วนใหญ่เต็มใจตื่นนอนแค่เพื่อเดินทางให้ทันงานไม่เต็มใจตื่นเช้าขึ้นอีกนิดเพื่อออกกำลังกายสวดมนต์นั่งสมาธิ คนส่วนใหญ่เต็มใจดูละครก่ออารมยุ่งเหยิงไม่เต็มใจชมรายการดีๆที่ช่วยให้จิตสงบสุขคนส่วนใหญ่เต็มใจกระโดดเข้าร่วมวงนินทาอย่างเมามันไม่เต็มใจริเริ่มสรรเสริญใครให้ชื่นบานหากสารวจตนและพบว่ายิ่งเต็มใจปรุงรสเผ็ดร้อนให้เป็นอาหารของสัตว์ร้ายก็หยาบแหลกใจว่า ทำไมจึงกำจัดความคิดแย่ๆได้ยากนักสร้างต้นเหตุอันเป็นทุกย่อมได้ผลเป็นทุกสร้างต้นเหตุอันเป็นสุขย่อมได้ผลเป็นสุขเมื่อความคิดแย่ๆหายไปจากหัวนานๆคุณจะรู้จักตัวเองเข้าถึงตัวเองในอีกแบบหนึ่งเหมือนพลิกเหลี่ยมพลิกมุมของตัวตนดีๆอีกด้านที่ให้ความรู้สึกสว่างขึ้นปลอดโปร่งขึ้นเป็นสุขขึ้น ขุดขึ้นมาแทนที่ตัวตนเก่าที่แย่กว่า